เมีอารมณ์อีกประเภทหนึ่งที่เข้ามาสิงอยู่ในใจอารมณ์ประเภทนั้นก็คืออารมณ์ความผ่องใสเป็นอารมณ์ที่ปราศจากกิเลสี่เลกกันว่าเนคขมะบรมีก็จะนาที่ให้ทานได้ความปรารถนาดีการที่จะจิตเข้าไป เครื่งคิดในเรื่องกามารมย่อมไม่มีแกบอกคลไหว้ทานด้วยความประสงค์ดีโดยการให้ของหวังกามารมนั้นมันมีอีกประเภทหนึ่งตอนนี้ในขนาดเดียวกันเสียงขนาที่ให้ใจที่คิดเป็นพุทธร้ายโหดร้ายย่อมไม่ปรากฏแล้วก็มองไปด้านหนึ่งอารมณ์ใจเขงบุกคลว่าให้ย่อมตื่นอยู่ตลอดเวลา โคกเต็นใจจะให้เพราะมีใจเบิกบานในเจตนาเขาบุาคคลให้นั้นก็มีอารมณ์ตรงคิดว่าเราต้องการให้ขณะที่ให้ก็ไม่สงสัยในผลแห่งการให้โดยคิดว่าผลแห่งการให้ย่อมเป็นปัจจัยให้ปรงชนกุ ร, รับและสัตว์กุรับมีความสุขมีอารมณ์ชื่นบานนี่เป็นอันว่าท่าพระมาหาบพุพระราชะสมผัน จะพิจารณาไปทีข้อดีกล่าวนี้ก็ได้กันเนคขมบรมีคือระ ง, งับที่วาห้าประการนั่นเองนี่คนที่ให้ทานได้ก็ต้องระ ง, งับที่วาห้าประการเป็นการให้ทานแบบจาคะคือตัดกำลังความโลภของจิตไม่ได้ให้ทานเพื่อหวังคิดจะหวังผลตอบแทนได้กรณีใดๆ เห็นเ่าขณะที่ให้ทานกำลังใจย่อมปราศจากมีวอนหากก้าประการจัดว่าเป็นเนคขมะบรมีมีคนย่อทานนี้ก็ต้องมีความสักด์จากความจริงใจอยู่ตลอดเวลาไม่มีเจตนาตรงคิดว่าเราตั้งใจจะให้ทานเราตั้งใจจะส่งข้ราบว่บุคคลอื่นให้มีความสุข เมื่อใจจิตตั้งตรงไว้อย่างนี้ทีวเป็นสัจจะปรมีในการให้ทานนี้ก็ต้องอาศัยวิทยาความภาคเปลี่ยนการใช้กำลังของเมตตาเข้าไปประหัตประหารกำลังของมัจริยยะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามัจจัยยะความเหนียวแน่นโลภะความโลภมันมีในโดวจิตมาก องสมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าเคยตรัสไว้ในเรื่องจูเลกสารดกว่าท่านจูเลกสารดกท่านเป็นคนจนอยู่ด้วยกันสองคนสา ม, มีพัญยาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสมเด็จไปสู่เมืองพารานสี เวลานั้นปรากฏว่าประชาชนที่ประ ก, กาศว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระบรมมนนาราชธรราชพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกขอท่านทั้งหลายยอมพากันไปฟังเทศของพระพุทธเจ้าท่านจูเลกสาดกท่านเป็นพรามคนจนสองคนพร้อมเมียมีผ้าโน่งกันคนละปืน สำหรับผ้าหม่มผืนเดียวกันเวลาพออกจากบ้านเมียก็ต้องอยู่บ้านก็ไม่มีผ้าหม่มรามไปไหนต้องห่มผ้าเวลาพันยาออกจากบ้านสา ม, มีก็ต้องอยู่บ้านเพราะต้องแต่งกันออกเพราะผ้ามันมีผืนเดียวที่ต้องห่มออกจากบ้านเมื่อฟังข่าวว่าองสมเด็จพระวิจิตรมานบรมัสสันดาสเสด็จมา พระพุทธเจ้าตายกันแล้วในโลกก็ดีใจท่านพระามจูเลกษารดกจึงในสามท่านพราามผู้เป็นปัญญาเวลานี้ทราบข่าวว่าองค์สมเด็จตาาุสมาสมพทธเจ้าทรงสเสด็จเธอจะไปฟังเทศเวลากลางวันและเวลากลางคืนเรามีผ้าหม่มเืนเดียวไปพร้อมกันไม่ได้ เสริมรับท่านพัญญาก็บอกกัท่านสามีบอกว่ากลางคืนฉันไม่อยากจะไปไปไหนไม่ถนัดขอไปกลางวันแ้่เวลากลางคืนท่านไปฟังเทศก่อนก็แล้วกันท่านจูเลกสารดกจึงได้ไปฟังเทศในเวลากลางคืนเมื่อตอน ว่าข่ำฟังเทศพระพุทธเจ้าชอบใจกําลังใจเช่นบานหันษาอยากจะถวายผ้าผมแก่พระพุทธเจ้าแต่ว่ามัชชริยะความตเหน่คือความห่วงใยในพัญญาก็เกิดคิดว่าถ้าเราให้แก่พัญญาเสร็จแล้วถ้าเราถวายผ้ากับพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพรุนี้พัญญาเราจะมาฟังเทศได้ยังไง อันนี้ถว่ากระแสวัฏธรรมทีสนาเขาองค์สมเด็จพระจอมไตรไร้เราะเพราะปิ้งมากยากที่จะพึงฟังได้วางพัญญาความตนหนีมนดึงเขาไว้ก็ไม่ถาวายยามที่สองคิดแบบนั้นอีกก็ยับย่างยามที่สามคิดแบบนั้นอีกก็ยับยังางถอถึงยามที่สี่ทนไม่ไหวคิดว่าพัญญาจะมาได้หรือไม่ได้ก็ตามทีเราขอถาไวายแด่องค์สมเด็จพระจีนสี ยิ่งเปืเ่องผ้าห่มปถวายไว้ที่บาทธรรมนูคือเท้าของพระพุทธเจ้าถอยมาแล้วก็เปล่งวาจาว่าชิตังเมชิตังเมย์ยิ่งแปลเป็นใจความว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วเวลานั้นพระเจ้าประสเสนาทีโกศลบรรมกระสัดเริ่มบาทเท้าเธอไปรบทัดจับศึกคือฆ้าศึกมาวิาชิตติพนนคร เมื่อองค์สมเด็จพระพิตรวลมาถึงแล้วต้อนรับแล้วก็ลาองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วไปปราบรามคาศึกเชื่อก็หไม่นานนักไปเจ้าประเสริฐในที่กรุศลก็รพชนะข้าศึกเมื่อกลับมาแล้วก็พาทัพแล้วทาหารทั้งหมดมาเฝ้าองค์สมเด็จพระบร ม, มสุคตฟังเทศก่อนที่ก่อนที่จะเข้าพระราชฐาน ว่านั่งฟังเทศอยู่ด้วยเห็นข่าวคนนั้นประกาศตนว่าชิตังเมยชิตังเมจึงแปลว่าชนะแล้วชนะแล้วก็สงสัยเพราะนี้เราไปรบกับข้าวเส็จมาเราชนะข้าวเสร็จอีตาพรามแก่คนนี้ก็อยู่ในบ้านเฉยๆแล้วก็ประกาศว่าแกชนะแล้วชนะแล้วก็อยากจะทราบว่าชนะอะไรจึงให้นายแต่หานขู้ใหญ่เข้าไปถาม แกก็กลับแกก็ตอบบกว่าที่ช น, นะนํามันช น, นะใครหรอกช น, นะความเสน่ที่มีอยู่ในใจอยากจะถวายผ้าพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ตอนห้องข้ามถวายไม่ได้ให้ัจตริยะมันเล็งเขาไว้มาตอนดึกใกล้สว่างนิ้ตัดสินใจแล้วจึงให้ตอนในชีวิตสองคนผัวเมียมีผ้าอยู่เพิ่เดียว่ันจูเล่ และเมื่อพระเจ้าประเสริฐในที่กุศลบรมกษัตริย์พระบาททรงทราบเยี่ยงไทยาสารดเป็นโคโค่หนึ่งโค่สองโค่คี่โค่ปโค่สิบหกโค่รามจูเลกสารดกก็ถวายพระพุทธเจ้าจนหมดไม่รับไว้คิดว่าชาตินี้มันจนก็เพราะว่าชาติก่อนมันไม่ดีไม่บำเพ็ญทานไว้ด้วยดี จะกระทั่งไปเจ้าประเสริฐที่โกรสนให้บ้านสวยแล้วก็าระธานเอเพื่อให้บ้านร้อยหลังสำหรับเก็บสวยให้ช่างหนึ่งร้อยม้าหนึ่งร้อยโคหนึ่งร้อยคนทาสปู้ญิงหนึ่งร้อย 100, ทานผูชายหนึ่งร้อยจุดจัดอยู่ในเกงข้า บ, บดีนี่ขอวายไรวพระพระมหาว่าพิปรเจริญสมพัน เมื่อคนที่จะให้ทานต้องมีมต้องมีวิริยะความเพียรกำจัดศัตรูตัวสำคัญคิอโลภะความโลภกรบมัชริยะความตณีดังนั้นจึงขอถวายประพลว่าการให้ทานนี้ก็ต้องมีวิริยะบารมีประกอบด้วยนี่ปัญญาคนให้ทานต้องเป็นคนมีปัญญาถ้าคนให้ทานไร้ปัญญาจะแล้วให้ไม่ได้ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ไรปัญญาจะเห็นว่าทรัพย์สินของเราที่ได้มาได้มาด้วยความเหนื่อยยาก <c oughs> เราไม่ควรจะแบ่งปันให้แก่ผู้คนอื่นแต่คนที่มีปัญญาเห็นว่าการบริจาคทานด้จาค่าการให้กับการตัดใจเพื่อตัดกิเลสตัวตามว่ากันโดนทางโลกอย่างย่อๆอย่างต่าๆ คนที่มีปัญญาจะทราบว่าการให้ทานเนี่ยเป็นจริยาที่ผกมิเป็นการทําลายศัตรูไปโดยปริยายถ้าจะทรงตรัสถามว่าคนที่รับทานของเราเขาเป็นนิกราทุกคนหรืออาตมาก็ต้องยอมรับว่าคนที่มีความโง่เขาได้รับของจากผู้ให้แล้วดีไม่ดีเขาประกาศตนเป็นศัตรู อย่างนี้ย่อมพบกันในโลกนี้เกือบทุกคนถ้าถือว่าไปให้กับคนอักตันอยู่ไม่รู้คุณคนเข้าซึ่งมีกําลังใจต่ําตามก็สัตว์เลี้ยงที่เรารู้จักคนโคตรโคตเลี้ยงแต่นั่งก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นอ น, นว่าสภาวะเบื้องต่ำด้วยอารมณ์ต่ตําที่มีปัญญาอย่างต่ําก็เห็นว่าการให้ทานเป็นจริยาที่สร้างมิ ถือว่าเสียถีก็ยังขาดไปการให้ทานย่อมเป็นปัจจัยให้มีความรักสำหรับบุคคลผู้รับทานนี่นอันดับตำ่ำถ้าหากว่าใช้ปัญญาญาณที่เจรณาจริงๆก็เห็นว่าการให้ทานเนี่ยเป็นการตัดเยื่อใยตัวหนึ่งเป็นเยื่อใหญ่สําคัญเป็นรากเห้าของกิเลสคือขุดรากเหง้าของกิเลสใหญ่ทิ้ง นั่นก็คือโลภะ ค, ความโลภคนที่มีปัญญาพิจารณาเสมอว่าการเสียสละทุกอย่างเป็นปัจจัยของความสุขความชื่นบานย่อมปรากฏคนที่ให้ทานไม่ใช่จนคนให้ทานทุกคนหาคนจนไม่ได้คือไม่จนความดีไม่จนมิตรไม่จนไม่จนคนที่รัก จะมีคนอัตตันอยู่อยู่บ้างก็ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นตบุคคลผู้รับสำรัเก้าสิบเปอร์เซ็น์เป็นบุคคลผู้มีความดีรู้คนคนถึงแม้ว่าผู้ให้จะไม่มีจิตตั้งใจว่าจะให้เขาสนองความดีประเภทนั้นแต่ผลทอยได้มันย่อมได้เป็นของธรรมดานี่อาตอมาจึงพิจารณาเห็นว่าการให้ทานนัจจาทาน จะ ก, ก็จะต้องมีปัญญาบรารมีควบคุมด้วยต่อมาคนให้ทานต้องมีความอดทนมีความอดกลั้นยับยั้งอารมณ์ใจไม่เกิดอารมณ์ที่เป็นข้าสศึกับทานนั่นก็คือขันติเ <c oughs> อาการให้ทานนี่ <c oughs> จะต้องมีอารมณ์ยับยัง้งคือความอดทนเนื่องด้วยวัตถุทานที่จะให้ กว่าจะได้มันก็แสนยากมีความลำบากมากวพรถูแต่ในชิ้นที่ได้มาเขาต้องมีความเหน็ดเลยต้องอดทนต่อสู้กับความเหน็ดเลยต่อสู้อันตรายทั้งปวงต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่อสู้กับการนินทาว่าร้ายต่อสู้กับการแข่งแย่งทุกอย่าง เมรอกาอประกอบกิจอาชีพทั้งปวงมันย่อมมีภัยทุกสาขาที่จะเข้ามาถึงตัวนี่เป็นความอดทนชั้นหนึ่งในขณะที่หาเข้ามา <c oughs> ในเวลาที่ให้เข้าไปก็ต้องสร้างความอดทนอารมณ์ของบุคคลว่าให้ทานใหม่ๆท่านน้อยไม่เป็นไรถ้าให้มากอารมณ์ต่อสู้มันจเกิด ถ้าความจาเป็นเกิดจริงก็จะมานั่งในกว่านี้เราให้เขาทำไมเนี่ยถ้าเราไม่ให้เขาเส้นแล้วเราจะมีความสูงยิ่งไปกว่านี้เนี่ยอารมณ์ประเภทนี้มันเป็นอารมณ์กิเลสเข้ามาตัดความดีนี่ท่านที่ให้ทานเขาต้องมีคันติบารมีเข้าควบคุมอดทนอดกลันก้นกำลังใจไม่ยอมให้อารมณ์ที่เป็นภฟยเข้ามาสู่จิตที่เรียกกันว่าคันติบารมี หรือ ว, ว่าความบกต้องใดๆที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินเราต้องสแสวงหาใหม่มาเพิ่มเติมก็ไม่นึกถึงความเหนื่อยยากลำบากกายพร้อมที่จะปฏิบัติพร้อมที่จะาหาโดยไม่เสียดายทรัพย์สินที่ให้ไปนี่เป็นอารมณ์ของคันติเป็นอันว่าการให้ทานก็ต้องมีคันติบารมีพวก อธิษฐานในการตั้งใจไม่คิดว่าเราจะให้ทางอยู่เสมอเราจะเกื้อกูลกับบอกคนอื่นอยู่เสมอนี่ก็ต้องมีที่เรียกว่าอาธิษฐานบารมีอุเบกขาบารมีสักครู่นี้อาตมาถวายพระพรได้ด้ายขันติเพาะโมททนดูเป็นว่าเกือบจะบวกเอาอเบกขาเข้าไปหมด มุมเบกขาแปลความวางเฉยธรรมรมให้เป็นสุข <c oughs> มีอารมณ์คิดอยู่เสมอว่าเราจะสร้างความดีด้วยการให้ทานอาการใดๆที่เข้ามาต่อท่านเป็นเรื่องของชาวโลกใครเขาจะนินทาว่าร้ายด้วยประการใดก็ตามทีเท่ทั้งหลายเหล่านี้นนไม่ยุ่ง วางเฉยให้ทานไปเกือบจะหมดตัวเหลอไปหรือไม่เผลอด้วยเจตนาก็ตามแค่ว่ามาให้ไปแล้วภายหลังเกิดสุดสทมทางฐานะลงมาก็วางเฉยมีอารมณ์สบายเต็มใจในการให้ทานเป็นปกติ <c oughs> อย่างนี้เชื่อมีอุเบกขาอารมณ์ในเรื่องนี้ก็ได้ปรากฏ แก่ถ <c oughs> <ies> ้านาฬิบินิกาเสถียีเหมือนกันวันในสมัยที่องค์สมเด็จพระบิดาแมนบริมศาสัดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสงเระห์กบรรดาปวงชนที่มีความเคารพอันนาฬิบินิกาเสถียีได้ให้ทานแก่พระพุทธเจ้าเป็นปกติเมื่อหารเลิศสองท่านนี้มีชื่อเสียงมากในการให้ทาน คืทนอทนานาดิินิการเศรษฐีก็นำวิสาขามหาบาสิกาท่านในธรํานุบํำรุงพระสงฆ์ในพุทธศาสนาให้มีความสุขเวลาที่ไปวิหารตามพระบาลีว่าทั้งสองท่านไม่เคยมีมือว่างจะต้องถืออะไรต่ออะไรก็ตามไปเพื่อบา ร, รงถวายพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ต่อมาในการครั้งหนึ่งปรากฏว่าอุปคาตกรรมประเภททรัพย์สินไม่เกิดขึ้นท่านถูกคนเขาโกงเงินที่เขากู้ยืมไปทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่ในบ้านก็ถูกขโมยลักแล้วก็ทรัพย์สินที่ฝังไว้ก็ปรากฏว่ามันอยู่ใกล้น้ำน้เซ้ะทางทลายไ ป, ไปในมหาสมุทร ตัวท่านเองก็กลายเป็นคนยากจนเข็นใจแต่ยังไม่ถึงกับจะนำบ้านข้าวที่จะบริโภคเข้าไปก็ต้องใช้ปลายข้าวละเอียดต้มและก็ใช้น้ำผักดองเป็นกับนี่มหาเศรษฐีใหญ่มีความย่อหยับลงถึงเพียงนี้ในการครั้งนั้นองค์สมเด็จพระมหาวุนีคือพระพุทธเจ้าส่งเสด็จไป พรานาเรปิณีกศเศรษฐีเจนขนาดนั้นก็ยังมีมนต์องค์สมเด็จพระจอมไตรไปรับพระตาหารในบ้านเพราะไม่ได้พระสงฆ์ห้าร้อยรูป <c oughs> การจนของข้าวปลายข้าวยังคงจะเหลือมากก็เป็นทรัพย์สินเกา่าเมื่อเวลาถวายทานก็ถวายทานแบบนั้นเพื่อปลายข้าวมาต้มแล้วก็น้ำผานดองเปยงกับ ทาวายตั้งแต่พระพุทธเจา้าถึงพระสาวกทั้งหมดมีสภาวะเสมอกันในขณะที่องค์สมเด็จประสงค์พิเพระวิชิตามายกำลังเสวียอยู่ถ้านาดีวิริการเศรษฐีก็ได้กราบทูลองค์สมเด็จพระบรมครู <c oughs> ว่าพันเตพระเกวาร่าข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจาา้าค่ะ เวลานี้ทานของข้าพระพุทธเจ้าเศร้าหมองเส้นแล้วในวาระก่อนๆพระองค์พร้อมไปได้วยพระสงฆ์ทรงสเสด็จมาข้าพระพุทธเจ้ามีอาหารลดเลิกถวายเสมอแต่เวลานี้ยากิจนลงไปเหลือแต่ข้าวปลายข้าวกับน้ํำผักดองเท่านั้นพระองค์สมเด็จพระพิตรมาได้ทรงเสดับตอนที่ท่านมาหาเศรษฐีพูดจบ องสมเด็จพระร่มนาศกจึงได้มีพระพุทธตีกาถามว่าเศรษฐีดูก่อนท่านมหาเศรษฐีได้กล่าวมาตามนี้อัตมาอยากทถาคุกอยากจะทราบเจตนาของใจว่าเวลาที่ท่านให้ทานถวายท่านกระพระสงค์ท่านมีความรู้สึกยังไง พระมหาเศรษฐีก็ได้กราบทูลในองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันเตภศวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่าเจ้าพูเจริญพระพุทธเจา้าข่าถึงแม้ว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจนเทยงนี้ก็ตามทีแต่ด้วว่าเจตนาของข้าพระพุทธเจ้านี้คงเดิมเมื่ก่อนจะให้กับเต็มใจในการให้ขณะที่ให้ ร้อมเริ่มใสให้ก่อนจะให้ตั้งใจไว้ก่อนเมื่อให้ก็เต็มใจให้พมือให้แล้วก็ชื่นใจไม่เคยเสียดายในทนันองค์สมเด็จพระพิชิตามารย์ังได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าเสฐีดูก่อนมหาเสฐีลูขังวาปณียตังวาขึ้นชื่อว่าวัตถุทันจะเป็นของประนีก็ตามจะเป็นของอยากก็ตาม ถ้าบุคคลผู้ให้มีเจตนาครบทั้งสามการเฮ้ก่อนจะให้ก็เต็มใจให้พราตั้งใจว่าจะให้เมื่อก่อนขนาดที่ให้ก็เต็มใจให้แล้วไม่เสียดายในทานในการให้ผู้ให้เป็นผู้บริสุทธิ์ก็มีสิงครบพระทูทานที่ได้มาก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่คดไม่คดไม่โค้ง ไ, ไ, ไ, ไม่เบีเยดเบียนใคร แ้ะสําหรับผู้รับทานก็เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างนี้ต ถ, ถาคตถืว่าเป็นผลนทานที่เนรสิสงมากอย่างยิ่งนี <c oughs> ่เละขอถวายพระพรประมาหาบกพิธรัรฑ์สมภารการให้ทานก็ต้องมีอเบิดขาคุมใจถ้าอย่างถ้านานาดีเบนิกาเศรษฐีท่านถาวายทานในองค์สมเด็จประมาหามุนี ทท้งๆที่กำลังยากจนแต่ท่านเองก็ไม่มีความวันไหวในใจมีเบรมีทั้งหมดครอบทุนแล้วก็มีความสมบายใจว่าใจเฉยๆมันจะจนก็เชิญจนมันอยากจะรวยก็ชยเชินรวยซึ่งความจนความรวยเป็นของธรรมดาแต่ถ้ว่าการบริจาคทานในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพรเดชพระสงค์ เป็นเรื่องปกติที่ท่านเต็มใจจะทำเป็นอนุาผู้ให้ทานทุกท่นทานทายีให้ทานแบบจาคะก็มีกำลังใจเช่มคนเมื่อพิจารณาและเห็นว่า บ, บรารมีทั้งสิบระการที่องค์สมเด็จพระิชิตา ม, าาามารบรมศาสตร์สนดาลสมาสมุทเย้าทสงสัด ที่กล่าวว่าบรารมีคือกําลังใจครบพุนทุกประการเมื่อมีบรารมีครบพุนทุกประการก็ราอาศัยจากค้าเป็นประทานการที่พระมหาบพิตรพระราชสมภาท์ทรงตัดมากับท่านหม่อมเจ้าหญิงอิภาวดีรังสิทธตว่าจาค้าของฉันก็ไปนิพพานได้เหมือนกันอันนี้ธรรมาเองก็ขอรับรองพระธรรมาเอง ก็เดินทางมาจากจาระเหมือนกันชาตินี้ทั้งชาติถือจาระเป็นสระัตคื่อเป็นเบื้องต้นตนัต้งแต่บวชเข้ามาในศา ส, สนาเขาองค์สมเด็จพระทศพลจะได้ลาบมากก็าตามน้อยก็าตามก็ไม่เคยให้ลาบส่วนนั้นอยู่ข้ามปี ใ น, ในเมื่อการเวลาอายุอย่างน้อยปฏิบัติแบบนี้ก็ถือว่าลาบที่ชาวบ้านให้มันเป็นลาบใหญ่ถือว่าเป็นผลกำไรพิเศษจึงได้น้อมเข้าไปปฏิบัติตามกระแสพระสธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบ ร, รมโลกประเชศทำเท่าที่เกิดเป็นอารมณ์ชินนั่นพร้อมกันนั่งก็ได้รับคำแนะนำจากหลวงพ่อปาน ซึ่งเป็นบรุรพอาจารย์โองแรกในพระพุทธศาสนาในเมื่ออจะมาอุปสมบทบรรชารได้ได้จัดย้ำได้กล่าวย้ำไว้ว่าทรัพย์ต่างๆที่จะบ้ายเขาให้มาจงอย่าสะสมไว้แล้วก็จงอย่ากเก็บไว้ทรัพย์พอสอนนี้จะให้เหลือไปถึงคอสอนหน้า <c oughs> ถ้าบาังเอิญจะได้มาจากปลายปีก็ขอให้ตั้งเกมไว้ว่าปีต่อไปเราจะทาอะไร อันนี้จะมาถือเป็นศาสนาแต่ว่ามาเวลานี้ดูมันว่าจะเกินอาจารย์ไปชนิดหนึ่งเกินคําสั่งของอาจารย์เพื่อทรัพย์ยังไม่ได้มาก็ทําก่อนแต่ว่าถ้าอาจารย์เองก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันอย่างนี้ก็เป็นเพื่อเป็นการลทลอนโลภะที่เกิดขึ้นกับจิตเพราะว่าในเมื่อทําลงไปก่อนทรัพย์ได้มาทีหลังมันยังไม่พอก็ชําระเข้าไป แล้วก็ทำต่อไปได้มาก็ํำระต่อไปก็เป็นอันว่าเงินที่ยาสะสมไม่เป็นสมบัติส่วนตัวมันก็ไม่มีแต่เงินที่เป็นสมบัติส่วนตัวไม่มีก็เป็นกำลังใจที่ดีอย่างหนึ่งคือเป็นความชุ่มชื่นไม่มีกังวลเรื่องทรัพย์มองไปที่ไรในกระเป๋าเห็นว่าทรัพย์ของตนไม่มีใจมันก็สบาย เพราะว่าอารมณ์แห่งที่ที่มันจะเป็นภัยก่จสร้างความโหดร้ายให้เกิดเกิดจิตได้แก่โลภะความโลภมันไม่ปรากฏเส้นได้มาเท่าไหร่ก็ดีมีเรื่องใช้ทุกจุดอันนี้เห็นจะตรงควา ม, รามประสงค์ของสมเด็จะสมาสพัพทธเจ้าและครูบาอาจารย์มีหลวพปานเป็นีิสุดก็เลในการขณะนี้พระมาหาวโรคิดรราชสมภาร ทรงกรุณาตัดถามผ่านม่อมเจา้าหญิงอิปาวดีราสิตตัดมาดูเหมือนว่าคิดว่าจะคายค้านวจาคะของฉันก็ที่พ่านได้เหมือนกันแต่ว่ากระแสพระดับตลอดตัดถามมาในการก่อนนั้นไม่ได้ถามเฉพาะราช า, าจาค้าถามมาทุกอย่างข้าแตมากรับรองพระทุกอย่าง ถ้าเตาะเจาะจงอย่างนี้เป็นความดีอย่างยิ่งเจ้าติมาเองก็ขอรับรองว่าจาค่าอย่างเดียวก็ถึงนิพพานมีศีลอย่างเดียวก็ถึงนิพพานมีเนคขมาอย่างเดียวก็ถึงนิพพานเพราะบรารมีทั้งสิบรายการนี้จะทําอะไรก็ดีบรารมีสิบระการจะต้องรวมตัวกันเสมอแต่ว่ามีอะไรเป็นเบื้องหน้าเท่านั้นเมื่อคนสิบคน ว่าใครคนใดคนหนึ่งออกเดินอีกเก้าคนก็ต้องไปร่วมกันทังเป็นสัญญาพร้องร่วมกันไว้ข้อนี้มีประมาณชั้นใดจะคะที่กล่าวว่าเป็นทานบามรมีเที่ยวองสมเด็จพร ะ, ะทินสีตัดทังบารมีสิบอีกบารมีเก้าประกา ร, รก็ติดติดตามกันไปถ้าเวลานี้การเวลาที่ถาวายพระพรเห็นว่าสมควรแล้วอาตมาก็ขอยุติว่าจะเพียงดังนี้ อาตมาก็ขอความสุขสวัสดีจงมีเดชพระองค์ขอพระองค์จงปราปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงตลอดการอายุไร้เกิดขอถวายประพร